Thank mm -hmm. you. ก็าคอามือวางไว้บนเข่าเอามือวางไว้บนเข่าโดยจากเข่าไหมเอามือวางไว้บนข่าพ่วงไว้นะเดี๋ยวนี้มือเราอยู่ที่ไหนอะไรเห็นว่ามืออยู่ที่เข่านั่นอะไรลู่เอามืออยู่บนเขานะถ้าใครบอกว่ามือของเราอยู่ที่อื่นจะเชื่อไหมมั่นใจไว้ไหมว่ามืออยู่บนเข่ามั่นใจไหมมั่นใจนะใครจะบอกว่ามือของฉันขาดจัวข้างหลัง เราจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นใช่ไหมเราเห็นกายข็เรามือข็เราวางอยู่บนเขาแต่แขงมือตั้งข้างขวาตั้งไว้ดูสิแต่แขงตั้งไว้ดูสิแต่แขงหรือยังมั่นใจไว้ไหมว่ามือข้างขวาแต่แขงอยู่มีคำถามไหมว่ามือของข้างขวาของฉัน อยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรมีคำถามไหมไม่มีคำถามใครเป็นคนรู้เรารู้เองสั จ, จะทําไม่มีคำถามรู้เองใช่ไหมเรารู้ว่ามือของแขนยกขึ้นเลยสิยกขึ้นเลย ส, ยสิยกหรือ ย, อยังมือข้างขวาไม่ใช่วางอยู่บนเข่านะมีคำถามไหม่มือข้างขวาอยู่ตรงไหน ไม่มีคำถามใช่ไหมเมื่แต่คำตอบใครตอบให้ตอบเราเองนี่คือสัจธรรมเอาไหมาลงการเห็นชีวิตทั้งหมดก็เห็นแบบนี้เห็นมันคิดมันใจความคิดทําอะไรให้เราไม่ได้เมื่อเราเห็นงูแต่เราเห็นงูเนี่ยงูจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัดเ ห, เห็นตะขาบมันวิ่งมาตะขาบจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัด ที่ตะขาบมันกัดเราเพราะเราไม่เห็นเห็นความโกรธเห็นความหลงความกัดถ้าเห็นเราก็พ่นทันทีเลยเราจงมาสร้างภาวะความเห็นภาวะดูเลยพูดธิย่อยจงมาดูกายเคลื่อนไปเมื่อดูกายเราเห็นความคิดเห็นความหลงเห็นอะไรต่างๆางเห็นเห็นเห็นลู้เห็นพุบเห็นมันจะเกิดการเห็นไปเห็นไปเห็นไปเห็นไปตัวเห็นก่อนนาเลยปะน ตัวเห็นเนี่เป็นตัวไม่ใช่คำว่าเห็นเฉยๆเป็นยานด้วยเห็นเนี่ยเป็นยานเป็นชาญเป็นมรกเห็นเนี่ยเลื่อนทระไปเรื่อยๆเป็นมรกเป็นผลเบื้องต้นคือความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวมาเริ่มต้นตรงไหนกันมาพิสูจน์กันดู หลวงพ่อจะพาลุยโลกถ้าเห็นแล้วนะไปกลัวอะไรโลกเน่ยเดี๋ยวนี้แม้แต่ น, นินทาก็กลัวแล้วสลรเสริญก็กลัวแล้วสุขก็กลัวแร้วทุกข์ก็กลัวแล้วความสุขความทุกข์นินทาศรเสริญเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาศรัสรสนคนก็จึงมีปัญหาอยู่ แค่นี้ก็ยังไปไม่รอดมันจะอยู่กับโลกได้ยังไงยิ่งทุกวันนี้นะถ้าไม่มีคนละธรรมแล้วจะเป็นคนขี้แพ้ที่สุดเลยรสชาติของโลกมันลุนแรงทำให้เราเป็นทุกข์อมทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรชีวิตเรานี่หลักหลักสูตรของชีวิตเราเลียนให้มันจบจบตรงนี้เราลุยเลยโลกนะั้นไม่มีะลรน่ากลัวเลย เหมนกับท่าจ้าพระพทรุทธองค์เขว่ารู้โลกอย่างแกมแฉ่งโลกวิถูรู้แล้วรู้แล้วคา ว, ว่ารู้แล้วเนะี่ยเห็นไะไรเห็นความไม่เที่ยงก็ารู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์เขรู้แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็ารู้แล้วถ้าเราไม่รู้ความไม่เที่ยงใายเราเป็นทุกข์มีไหม มีไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงใครเราเป็นทุกข์มีไหมสิ่งที่เป็นทุกข์ใครเราเป็นทุกข์มีไหมสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนใครเราเป็นทุกข์มีไหมวันนี้สิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์สิ่งไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าปฏิบัติเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยตรงนี้นะมาพิสูจน์กันลองดูเรี่องพวกเราเนี จ ะ, จะต้องอยู่กับโลกอย่างมากมายเป็นหมอเป็นพยาบาลเพื่อนร่วมงานมีงานมีการทำทำไปเคล็ดแข็งจะวั่นไหวจะวั่นไหวง่ายที่สุดเพราะเกี่ยวกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นมากมายเราจึงฝึกขัดมีศิละปะในการใช้ชีวิตของเร า, เาสร้างสตินี่แหละ วิธีที่สร้างแล้วก็บอกกันแล้วให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเวลาใดมันหลงรู้สึกตัวกลับมาหาความรู้สึกตัวมันหลงเทไรกลับมารู้สึกตัวเมื่อมันเห็นอยู่บ่อยๆผ่านตาอยู่บ่อยๆสิ่งไหนที่มันผ่านตาอยู่บ่อยๆมันก็รู้แก้งเห็นแจ้งเช่นหลวงพ่อเห็นโยมสามคนที่นั่งอยู่ขา้างหน้าเห็นกันหลายวันวันนี้ก็เห็นกันหลายครั้งก็จําได้ เห็นตั้งแต่วันมาทำสังฆทานเห็นแต่วันที่ไปปฏิบัติทำพุทธวนทนใช่ไหมเห็นมาบวดลูกบวดหลานเห็นไหวประจําก็ได้ทันทีเพราะผ่านสายตาตาเนื้อเห็นหน้ากันเห็นแล้วมาเฉยเฉยเฉยมันเห็นเออเป็นคนมีศินมีธรรมเนาะเป็นคนมือคนมาทําความรู้เพื่งพาใส่เป็นเม็ดเป็นญาติ มันเห็นไม่ใช่เห็นแค่เห็นได้แคการมาเห็นกายของเราการมาเห็นใจของเราเน่ะเห็นบ่อยๆมันก็จำได้มันชี้หน้ามันได้อันนี้คือกายคือรูปเห็น อ, อะไรที่มันเกิดความร้อนความหนาวเ น, นี่ยมันคืออาการความสุขความทุกข์มันเป็นอาการของรูปของน้ำไม่ใช่ตัวใช่ต้ น, ๆๆตนแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เราไม่ได้เห็นก็มีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนไปทั้งหมด ความร้อนก็คือเป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความร้อนความหนาวก็เป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความหนาวความสุขก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความสุขความทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตอนอยู่ในความทุกข์ผมพ่อก็เลยมีวิธีสอนว่าเห็นความปวดเป็นผู้ปวดปวดไหมปวดขาไหมเดนนี่นั่งอย่านสองเกือบงองขีวโมกบปวดขาไหม เป็นผู้ปวดหรือว่าเห็นมันปวดออถ้าเป็นผู้ปวดอย่างเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดโอ้ยโอ้ยตายตายน่ะบางคนผูปวดโอ้ยตายตายแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าถ้าแต่ก่อนเคยพูดว่าตายตายตายพอมาปฏิบัติแล้วมันก็พูดว่าไม่ตายไม่ตายแต่ก่อนฟังว่าพูดว่า ไม่ไหวไม่ไหวพอมาปฏิบัติมันก็บอกว่าไหวไหวไหวแต่ก่อนมันบอกว่าแย่แย่แย่พอเดิเด่มเริ่มก็กว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนนะแต่ก่อนมันบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายแย่แ yeah, ย yeah ่มันหมดตัวไปมันเป็นใช่ไหมพอเ น, น่เลยบอกว่าเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดถ้าเป็นผู้ปวด แต่ว่ามีตัวมีตนอยู่ในการปวดวันนี้ถ้านักกรมรมฐานเห็นมันปวดทาได้ไหมเห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวดต่างกันไหมต่างกันไหมเออนักกรมรมฐานเขาจะเป็นยังั้นะเห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวดเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดคำว่าเห็นเนี่ย มันออกมาดูแล้วไม่ได้อยู่กับความปวดวิธีที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายยกของมานเะห็นรือวิธีฝึกขึือยเห็นมันปวดไม่ได้เป็นความปวดเกี่ยวข้องกับความปวดยังไงเกี่ยวข้องกับความหนาวยังไงเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยังไงถ้าเห็นแล้วหลุดพ้นแะถ้าเป็นเราหลุดพ้นด้ยะมันหิวหิวไหมไม่ได้กินข้าวเย็นวันนะี้หมอทั้งหลายหิวไห เป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวถ้าเป็นผู้หิวโอ้ยทุกมากนะถ้าเห็นมันหิวเียโอ้ยดีใจนะขอบคุณมันโอ้โหร่างกายเราเนี่ยมันปกติมากนะเนี่ยมันหิวนี่โอยแสดงว่ามันปกติที่สุดอายุเจ็ดสิบปียังหิวอยู่ขอบคุณมันขอบคุณเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวมันต่างกันนะมันเบากว่ากันถ้าเป็นผู้หิวจะหนัก ถ้าเห็นมันเหิวจะเบาขึ้นมาเสียหน่อยเป็นผู้ทุกข์หรือเห็นมันทุกข์ถ้าเป็นผู้ทุกข์อยู่กับความทุกข์ถ้าเห็นมันทุกข์ออกมาดูแหละมันมีช่องทางแก่ได้เมื่อกหมอเห็นโลกถ้าเห็นแล้วก็รับรองว่าหายเราจึงมาดูเห็นไหมเห็นกายไหมเห็นมันคิดไหมเป็นผู้คิดหรือเห็นมันคิดเป็นผู้โกรธหรือเห็นมันโกรธ เป็นผู้เครียดเรียนมันเครียดเป็นผู้ง่วงเรียนมันง่วงเรือดีเลยนะมันจะออกมาออกมาตัวเบาวิวไปออกไปมาโอ้ไม่มีอะไรเลย น, นั่นแหะมันก็บเราเนี่ยอินทรีย์ของเราใหญ่กว่าถ้าเป็นเราหมดเนื้อหมดตัวนี่นักกรรมาฐานก็จะอารมณ์ของเขามันจะต่างกันเดีย๋ยวเวลานี้เรานั่งด้วยใจตดขอบคุณมันถ้านั่งอยู่มันปวด ถ้านั่งไม่ปวดมันก็ไม่ใช่รูปรูปมันดึงเมเวทนามันธรรมชาติของเขาเป็นอาการของเขาแล้วยุงกันไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่โลภความเจ็บนะ่าขอบคุณเขาเนะจะรู้จากไล่ยุงเขาความหิวก็ขอบคุณเขาเขาเป็นสัญญาณดาาับไปทําให้เราจะต้องกินข้าวความหนาวก็ขอบคุณเขาเราจะได้ห่มผ้าถ้าไม่รู้จากร้อนจากหนาวเนี่ยใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมแล้วไม่รู้จากหิวเนี่ยใช้ได้ไหม หิวข้าวเนี่ยดีไหมทุกหรือสุขหิวข้าวทุกไหมทำไมทุกหิวข้าวเป็นเรื่องดีไ ม, ดมไม่หิวดีไหมนะไม่หิวดีไหมไม่หิวตายลูกเดียวตายลูกเดียวเอาข้าวมากินกูไม่หิวกูไ่กินกินว่นน้อยยังไม่เกินเจ็ดวันให <laughs> ้เกินเจ็ดวันตายเลยถ้าหิวนี่ไม่เกินอีกสักสิบชั่วโมง พวเนี่ยไ้กินแนีนน่ยเรไม่ตายแต่เราห้าหกชั่วโมงเนี่ยไม่ตายถ้าหิวนะชื่นใจเลยโอกินน้ำลงไปนะให้น้าขวดเติมลงไป่ะให้ท้องมันว่าถ้าไม่หิวจะตายแน่ๆ แ, แล้วทําไมเราจึงทุกข์เมื่อมันหิวข้าวเราลืมไปลืมว่าโอ้ความหิวมันเป็นธรรมชาติของรูปของเราเนาอมันป ก, กติที่สุดถ้าไม่หิวนะ่ะไม่ดีจริงๆแสดงว่ากระเพาะตีบแล้ว กระเพาะตีบแล้วกระเพาะไม่ยืดเป็นโรคมะเร็งแล้วปวดท้องแล้วถ้ามันหิวมันร้อนมันหนาวโอ้ไปป ก, กติที่สุดเลย้ยก็ไปทุกทำไมไปทุกอะไรไม่มีความทุกแต่ดูดีๆไม่มีเรื่องใดที่ทำห้เราเป็นทุกนี่ติเป็นปัญญาควกมกามโกรธทำให้เรามีปัญญาความหลงทำให้เรามีปัญญาความทุกทำาะไรเรามีปัญญาเพราะทุกนี่แหละทำไมเป็นพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหม พระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เนี่ยทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่เห็นทุกข์เพื่อเอาเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เป็นปัญญาเป็นปัญญาโอ้โตื่นโยมพันธวาเป็นภาษาบาลท่างก็ฝัดทูเนาะเราเลยว่าพุทโทธเพราะว่าเป็นภาษาบาลเราปัดทูมันของทุกตัวเนาะฝัโทูตื่นใลยเหรอตื่นขึ้นมาเลยเหรอ มองโอ้ทุกพอเห็นแล้วก็หลุดไร้กันเทศเลยเราจึงปฏิบัติลองดูนะเนาะเจ็ดวันเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางพรอนนร้ลงพ่อก่อดีใจที่เห็นพวกเรามีหมอหนุ่มๆน้อยๆมีครูอาจารย์มาด้วยนะเรื่องดีความตั้งใจของสุขโต ก็มีความประสงค์อยากจะสอนเรื่องนี้ันจริงๆจึงชื่อป้ายวัดว่าสถาบันสติปัฏฐานบางคนก็ถามว่าสถาบันสติปัฏฐานควบคุมแค่ไหนเพียงไรสถาบันก็คือชีวิตเรานี่แหละชีวิตที่ไม่ทุกมาศึกษาชีวิตที่ไม่ทุกพ้นทุกพ้นปัญหาไม่มีปัญหาเรียกว่าสถาบันแล้วก็สอนอยู่สองลักษณะ แต่วันนิ่งสารภาควิปัสนาธุละธุละใหญ่ๆสอนเรื่องกรรมฐานคันธุละก็สอนกันบ้างถ้ามีสอบนักธรรมชั้นโตชั้นตีชั้นเอกได้จอะตอนสังสินก็นมาอยู่สองปีสามปีก็สอบนักธรรมชั้นโทได้ชั้นเอกได้ให่เรียนอยู่แล้ววิปัสนาธุละเป็นหลักสอนเรื่องกรรมฐานเป็น สถาบันเคยชีวิตของเราถ้าใครเรียนไ้จบก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์แล้วมัเราเป็นจำเลยตลอดเวลาความโกรธเป็นจำเลยที่ทำให้เราโกรธอยู่ไปตลอดความทุกข์เป็นจเเราเป็นจำเลยของความทุกข์พราเราจบแล้วจะไม่มีอะไนในโลกในหลวงพอ่อจึงบอกอบอกเราอ่ะจะพายลุยโลกมันไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวเลย ลอยไนเลยพวกเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเลยลลเราก็ตั้งใจสร้างาสิ่งไว้รอมพอดีๆเจริญสติ